ตอนเย็ยนมันก็จะมีเสียงนะ <c oughs> <c oughs> แต่ก็มีแต่ใจมแต่ที่จะบอกกสอนอันอื่นมันก็จะมีนะอันนี้ไม่เคยเป็นอะไรกับาดลายแล้วนี่คือวัดป่าสุกโตโอ๋อ ออกคนคณะภาพพิสูจนุสงมีศ ร, รัทธาออกบวชได้มาอยู่ร่วมกันสำเ น, นียงน้อยแห่ชีตลอดทั้งวาสุกบาจิกาสาธุชนทุกทุกท่านนี <c> ่ <oughs> คำว่าบัดบาสุโโตเด็กก็มีความหมายนะ วัดคือให้ได้แบบใน้แผนง <c oughs> ั้นเราก่อสร้างต้องวัดให้ได้แบบได้แผนตั้งแต่ต้นทั้งที่สุดคือยอดสูงสุดต้องมีแบบมีแผนมาจากให้ได้เบื้องต้นเสียก่อนงั้นเราสร้างบ้านสร้างเรือน ต้องให้ได้แบบถ้าแบบไม่ดีก็ไปไม่ได้สุโกโตไปดีถ้ามีแบบก็ไปดีถึงที่สุดนี่คือวัดป่าสุโกโตเป็นภาษาบาลี เอาคำสอนพูะเจ้าวันวตั้งชื่อวัดเพื่อให้เป็นมงคลเก่ผู้มาอาศัยแล้วก็อาศัยเอามาอ้างพวกเราแต่ว่าวัดป่าสุกตโตหมายถึงแบบฉบับถ้าพูดั้งธรรมบก็หมายถึงธรร ม, มวิฏ <c> ใ <oughs> ยพรธเจ้าโฮย ตะโกนร้องเรียนเรียกร้องจงมาดูที่เราสวดสาธยายพระสูตร ธ, ธ, ธรรมะธรรมะขาดแตธรรมาธรรมานพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้ดีแล้วจงมาดูพระเจ้าก็เรียก ถ้าองมาผู้ยังไม่มาขอให้มาผู้ที่มาแล้วอยู่เป็นสุขทำไวในเราตัดไว้ดีแล้วเหมือนพวกรองไจากทิพย์ต่างๆจะเปรียบเหมือนน้ำในห้วยในหะนองในคลองในบึงจากบ้านใดเาดืองใดทำไวนเหมือนขวดเหมือนแก้ว ถาน้อามาใช้ขวดเปด็นเดนเดียวกันไม่แตกต่างกันนี่ว่าพระเจ้าตัดไว้ดีอย่างนี้เมื่อทำไม่ได้เราตัดไปดีแล้วจงปฏิบัติตามทำวิไนนั่นเถิดจงปฏิบัติตามทำวิไนให้เป็นที่สิ้นทุกเถิดสองอย่างผู้ที่ยังไม่สิ้นทุก ต้องทำไม่ขึ้นทุกผู้ที่ยังมีทุกอยู่ต้องปฏิบัติตามทําวินัยให้เป็นที่ขิ้นทุกถ้าผู้ที่ชิ้นทุกแล้วจงปฏิบัติตามทําไว้ไหนนั่นเถิดถ้าตอนนี้ไม่ถึงให้ขิ้นทุกถ้าเขาค้นทุกแล้วเช่นประอาหารก่อนที่จะสู่ทํามไว้ไหนเขาเขาใช้ชีวิตเขาไว้ทุกแล้วฟังธรรมก็มีอย่างนี้ จริงจริงทำเนี่ยอะไรอย่างที่เรามีสติเนี่ยถ้าเรามีสติก็เป็นคนคนเดียวกันเลยไม่ต่างกันไม่ใช่เพศใช่ไหวเนิิถ้ามีสติอันเดียวกันเลยจะเป็นเพศใดภาษาใดก็เดียวกันแล้แต่ถ้าหลงเือนน้ําที่อยู่ที่อื่น เป็นต่างๆกันไปถ้ามาอยาู่ในทำไม่ไหนอันเดียวกันเลยไม่มีสติเป็นอันเดียวกันเลยอศาศจรรย์ปัจจนนี้นะทำไม่ไหนพนระเจ้าจึงตัดไว้ดีจริงๆถ้าเราหลงไม่ได้แบบไม่ได้วัดได้แบบคือไม่หลงถ้าหนาวัดแล้วมันทุกไม่ได้แบบ ถ้าไม่ทุกมันได้แบบดีอะไรก็ตม่มมันจะมีผิดมีถูกอย่าเท่าสอทยายพัะสูตรอ่าอมมาทิทิคือความเห็นชอบเป็นอย่างใดโลกเห็นทุกโฟกอบทุกมันเห็นชอบ <c oughs> ได้แบบ เห็นเหตุให้เกิดทุกข์เห็นทางแบบ ด, ดับทุกข์ได้แบบแล้วต่ตถามนักปฏิบัติเป็นอย่างไรยากไหมเห็นมั น, มนเป็นผู้ยากเห็นมันยากห <c oughs> ลงไหมเป็นผู้หลงเห็นมันหลง ทุกข์ไหมเป็นผู้ทุกข์เป็นบรรทุกได้แบบถ้าเห็นมันมันไม่มันได้แบบถ้าเป็นไม่ได้แบบแช่ได้หัวโลกความทุกข์ได้ถ้าเห็นน่ะถ้าเป็นหัวไปออกหัวเลาะไปออกถ้าเห็นหัวโลกได้มันคนละอันกับเราเพราะเราเห็นถ้าเราเป็นเป็นคนอันเดียวกันเลยเป็นตัวเป็นตนไปเลย ครับอย่างนี้นะคำว่าแบบถ้าไม่ถ้าไม่เปลี่ยนให้ได้แบบก็ผิดแบบพื้นผืบรไปถ้าเราไปแช่ขายเปลี่ยนแปลน <c oughs> เราก็เป็นโทษเป็นภัยต่อตัวเราเองถ้าเราไม่แช่ขาถ้ามันทุกข์ไม่เปลี่ยนเป็นไม่ทุกข์โอ้จะมีอย่างนั้นเป็นส่วนตัวของเราเป็นเราก็เป็นคนเดียว วามทุกข์เป็นคนเดียวเพอดื่นช่วยเราไม่ได้ถ้าเราไว้ช่วยตัวเองเราจึงต้องเปลี่ยนแปลงเรียกว่าให้ได้แบบเรียว่าปฏิบัตินี่มันเป็นอย่างนี้นั้นเป็นของที่พิชูดได้แบบนี้ไม่ใช่ฝันฝันเล่นล่นลอยลอยเป็นของพิชูดได้ทําไปไหนนี้ไม่ใช่มานับถือตามไปดี เอามาเป็นชีวิตเราเลยเอาเป็นการศึกษาไปเลยแต่ทาแต่ถ้าเป็นช่างก็ทำไม่เป็นดวัดให้เป็นระดับน้ำทั้งไันไมไ่ฉากกันไหนต้องทำให้เป็นถ้าทำไม่เป็นก็ทำไมได้ทำแล้วก็เช่ไม่ได้พังเสียหายชีวิตเราก็เหมือนกันอย่าประมาทอันหลงก็อย่าประมาท นะถ้าจะเป็นช่างต้องกระโดดลงไปใส่ตต่ช่างช่าง ช, ช่างกับช่างไม่ให้มาเหมือนกันนะ <laughs> เป็นภาษาอีสานพูดไม่ก่อยชัด <laughs> <า>เป็นช่างเป็นเสือ อ่าหลองตาก็าอยู่ที่นี่นะอยู่ที่นี่เป็นพานหลงเป็นได้เป็นได้ไดช่องแจมดูแลเป็นกรรมกรเป็นได้หรือช่วงได้สร้างห้องน้ำไดะตักน้าให้คนมาใช้ห้องน้ำก็ได้เป็นกรรมกร ทำไงนานมาแล้วนี่คนมาวัดไม่มีไฟฟ้าเขาจะตื่นขึ้นมาก็ใช้น้ํเนจน่ไหร่น้ำด้านมามีนะเราต้องตื่นก่อนตัวไปตักน้ำานีรีบเกินไปกลัวเขาจะตื่นตาเห็นเรารีบเดินจากสาละไก่ลงไปห้วยแม่น้องจัดๆ ๆ, ๆลงไปไปเจอกวางไม่รู้ก่อน มันกำลังเดินมาล้วก็ไม่เห็นหมันไปก็ต้องผ่านตรงกลางพอดีทั้งลู ก, กจะวิ่งหาแม่ทั้ง แ, แม่ก็จะวิ่งหาลูกเหมือนมันจะมาชนเราเรากส น, สนุกเลยมันก็เรารีบกันกันตักน้ำตักน้ําใส่ห้องน้าําเต็มหมดแล้วก็เช่วยตัตื่นขึ้นมาก็ใช้ห้องน้าําสบายเป็นนักบอได้ฮะา เ, เป็นกรรมกรได้เป็นอาจารย์ได้บางทีก็นั่งสอนอย่างนี้นล้วก็ต้องก็ก็ให้เป็นเพราะเราจะต้องเป็นทุกอย่างถ้าทายเป็นได้โบราณท่านว่าทุกระเทือนภ็ส า, ายอาจารย์ ตกกรเทินว่าได้เป็นเสียแล้วตกกรเทินว่าได้เป็นเสือแล้วร้อยบ้ร้ยก็แตมตืมใช่ไหมต้องแต้มให้เป็นเสือขึ้นมาถ้าเป็นเสือถ้าเสือไม่มีลายก็ไม่ใช่เสือแล้วบางครั้งก็เป็นช้างไปได้พืดอะไรป้างต้องออกแสดงควาเป็นช้างเราดูเป็นเสือลองรู้ต้องสู้มาสู้ สู้สู้ทุกหยอกไม่ค่อยกลัวนี่คือสแสดงฉากเหมือนพระเอกแต่เป็นพระเอเเกได้ต้องสู้เป็นดังเอกแต่ต้องสู้ไม่มีใครจะจะจะรอนเดินอยู่บนกองกุหลาบเสมอต้องผ่านทานเงผ่านหลงต้องสู้ทานทุกต้องสู้ ทานความโกรธต้องสู้ทานความรักอะไรอาวณ์ต้องสู้าติดเสือต้องมีหลายไม่ใช่กลัวเติชาต้างต้องต่อสู้่ น, น, น ก, กรรมกรร้านโลดูแลรักษารักษาเป็นพันโลไว้ให้พวกเรานอนมาแล้วจนมามีเพื่อน มางอกงามขึ้นมากๆช่วงอาจารย์ไปสอนอาจารย์ต้องถือนว่าอยู่ดีวัดนี้แต่ก็อนเงเทนทีเหมือนกันแต่เราสู้เราเป็นเสือต้องอยู่ในดงในป่าไม่หนีไปไหนะนี่พวกเราก็แ <c oughs> ั้นก็ผ่านมาเลยจริงภาษาอะไรความหลงฮะไปที่ัวอะไร ความยากก็กลัวแล้วนะถ้าอันยากก็ไม่ทํำทาง่ายก็ทําไม่ใช่เสือไม่ใช่ชาติเสืออะไรที่มันหนักไม่สงบ่อไม่สู้มันก็ไม่ใช่ใช่งานในชีวิตเราสาอะไรความหลงความโกรธมันไม่ได้ขี่ชาติขี่บ้าบาเห็นมันดูดีๆนะมันได้ชีวิตชีวาได้ปัญญา ทานหลงฟัง ท, ทุกมันเกิดจากเลยเห็นช่องเห็นทางจำมาทีตีเ <c oughs> ห็นช่องจริงได้เห็นทุกอันดีแล้วจะได้รูจ้จากเครื่องของคนเห็นเหตุเกิดทุกนอนเห็นหนทางออกทุกมาพร้อมกันเดี๋ยวแา้มันหลง มไม่หลงงาพร้อมกันกระด้ามกระลงังเลยแล้วมันโกดธคาไม่โกดก็มีอยู่เหมือนพูดระวสว ก, ก่อนโดยเจ้าสิทธัตมองโจดแบบนี้จึงเป็นพระทีเจ้าจึงมีศาสนาเห็นคเกิดเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายจึงเป็นพระทีเจ้าจึงมีพระศาสนาเกิดขึ้นมา มันเป็นโจทดน้อยตกเป็นจำเลยเป็นจำเลยความหลงนอนเท่ารเป็นจำเลยความทุกข์นอนเท่าเป็นจำเลยความโกรธนอนเท่าไหรเป็นจำเลยความเลกความชังนานเท่าไรจะต้องเป็นอยู่แล้วเหนอต้องไม่ต้องเป็นเลิกโคเลิกความอยู่เหมือนคนเป็นจำเลยถูกปิดคุกลางอยู่เราต้องไปเถิดหรอกเรื่องนี้มันใช่เกิดจากใครเฮ้ยจะเล่ายังไ เราจึงต้อง <c oughs> เป็นชาติเสือเจ้าหนอสู้เจ้าหนอ <c oughs> บางทีอารมณ์ความคิดก็กลัวแล้วช <c oughs> ิดขึ้นมานตัณฑ์ไหลขึ้นมานอนไม่หลับขึ้นมานขึ้นก็ไม่ลงใช่ ห, หรือคือชีวิตเราไม่ใช่่างแต่เฉพาะตัวก็เอาอะไรหลอดอยองมีพ่อมีแม่ไม่ีลูกมีหลานพัญญาสามีพี่น้อง การงานต่างๆเราก็เป็นนักข่าวดรายิ่งพอเราเป็นบอกไห้ว <c oughs> านจริงทำมาไม่มีใครนอนอยู่เฉยต้อง <c oughs> ต้องมีความพอรุีกเหยียบมันล่าไปเลยความยากความง่ายความพอใจไม่พอใจไม่ต้องมีในโลกหนึ่งมันจะเรียบไป ถ้าเราสู้ตลอดเราจึงไม่มีวิธีใดรรกมาเข้าสู่ทำไม่ไหนมันเป็นจริงไม่ใช่ฝันไม่ใช่เพ้อฝันนะเอากายเป็นธรรมลาเอาใจเปาา็นธรามล่ะมันจะตี่อไปเห็นมันถ้าเห็นเรายิ้มหัวละควางโกรธอะไคดวามทุกข์หัวรอดอะไรเอ๊ใช้ในก็ทุกข์เลยเนี่ย มึงจะเป็นผู้คนได้ไงข่าลานี้ก็ถูกเป็นแพ้คนได้ไงมึงจะเป็นสามีปัญญาได้ไงแค่นี้ก็ก็ทุกเราผิดแล้วเอาความผิดเอาความถูกตัดสินเอาความโกรธความโลภ ค, ความหลงตัดสินเนีอยกันที่กันพวาะคามโกรธแค่นี้หรือชีวิตเรามไม่มีค่าอะไรสัตย์เดชานไม่มี มีแต่คนเนี่ยมันจึงต้องมีทัพมะ่สัจธรรมมันมีสมองมีปัญญาเข็นฆ่ากันด้วยอาวุธยุธโทโธปกรณ์ต่างสัตว์ไม่ฉาดมีมีแต่เคี้ยวแต่เล็บธรรมดาอันี้จึงมีสาสนามีรั่วมีขอบปีเขต อย่าเช่นศีลเป็นรั่วร่องไว้ต้องขายร่องหวาจ่าการกพูดจาชอบปัญจา่าใดเราพูดเท็จคือไม่จริงพูดขังยาไม่น่าฟังพูดสอเชียตตีลิ่มให้แตกเล่ากันพูดเพ้อเจ้อคือพูดอย่างไงนะ โฟเจอร์มันคืออะไรแปลให้ฟังหน่อยหน่อผู้เจอคือพูดยังไงฮะใครตอบรายกมาขึ้นเลยผู้โฟเจอมาแต่ใจไม่ขี้มาแต่ทังหลังชี้ไปใสขี้ไปทั้งนาไม่ได้ความเลยมาแต่สายมาแต่บัดปลาสุกุตุฝนตกแข้งโม ปอดิปม์เบิไม่ได้ความฝนตกแรงมาล่ะปอดิปมเบิเพ้อเจอ้อไม่ได้ความเลยไม่มปรนโยชน์เนี่ยลวของเรามีจริงๆมันลอกได้แ้่ใครล่อมล่วไม่ได้เอาไปขังไว้ก่อนติดคุกติดตลามันไม่มันไม่มีขอบเขตแต่กระจาต่อผู้คน จึงมีคุกปิตตลางขังคนมันเป็นอย่างนี้จึงมีศีลมีสมาธิให้มั่นคงตลอดนื่ จ, จึงจำเป็นนะไม่ใช่เลื่อนลอยอ่อนร้อนจะต้องเข้าสู่การปฏิบัติอยากได้ความเป็นธรรมต้องเข้าสู่ขบวนการแหงความเป็นทรมถ้าเป็นโลกก็ตัวบทคนหมาอย แต่เป็นชีวิตก็คือความชคคิดโชคพูดโชคมันหลงไม่หลงเข้าสู่บวนการความเป็นธรรมมันทุกข์ไม่ทุกข์เข้าสูา่ปวดกัรแต่เราไม่เปลี่ยนแปลงมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราไม่เปลี่ยนแปลงแค่ใครใครจะทุกข์กับเราใครจะเจ็บกับเราใครจะตายกับเราเราก็ตายคนเดียวทุกคนเดียวใครก็ช่วยไม่ได้เราจูดในโลกนี่ไม่ใช่วันนี้ว่นเดียว ผู้นี้ก็มีเดือนหน้าก็มีชาติหน้าก็มีแต่วันผู้นี้มันจะดีต้องวันนี้เดือนหน้ามันจะดีต้องวันนี้ปีหน้ามันจะดีต้งวันนี้ชาติหน้ามันจะดีต้องวันนี้ดีเป็นทำได้อย่างนี้เราไปทําอะไรวอนบอลอะไรในการทาให้เกิดขึ้นกับตัวเรา เราเป็นโลกกินไะไรที่มันชอบเกิดโลกเราไม่เลิกไม่เปลี่ยนแปลงก็เกิดโลกมันเป็นเหตุที่เรากินของใช้ชีวิตผิดพลาดมันจึงเป็นทุกข์เป็นโลกบอกให้เลิกสมุทรีไม่เลิกท่านก็เป็นโลกของท่านไงบอกให้เลิกกินโลกไปยอมเลิกแค่นี้ก็ยอมไม่สู้จะเป็นชาติเสือเลยนะต้อง แป้มลายลงไปสู้อันนี้ยุดอันนี้มันก็จะลำบากอยู่ยประมาณส5ห้าวันเพราะมัน ม, มีนิโคตินอยู่ในเลือดถ้าเลิกกดไปไปก็อนิโคตินก็หายไปหายไปหมดไปตาผมหายใจจักหนักจากเบามันออกตายไม่ใช่ชีวิต จ, จริง ต้องสู้อย่างเนี้ภาษาเลยความหลงมันไม่ได้ขีดช่างเขีดมาว่าภาษาอะไรความทุกข์มันมาได้ขีดช่างเขีดมาว่าภาษาเลยความโกรธโธ่ก็เกิดจากความคิดที่มันหลงไปยอมทําไมเฮ้ไม่ใช่เรื่องจะยอมง่ายๆเรื่องไหนถ้าเราเห็นตังนี้แต่สู้เลยไปมันถูกจริงๆ เปลีหลงเป็ไม่หลงนี่ถูกต้องที่สุดเปลี่นทุกเป็นไม่ทุกถูกต้องที่สุดเปลียนโกรธมปนไม่โกรธถูกต้องที่สุดนี่ความถูกต้อ ง, งไม่ต้องไปถามใครถ้าเราทําอบนี้เราก็เป็นคําตอบเลยเป็นปัด จ, จัดตไม่มีคําถามเรารเหลงต้องไปถามใครไหมเปลี่ยนหลงเป็นรู้เราต้องถามใครไหมเราหลงชันฉันหมดหรือยัง ไม่เป็นคำตอาเป็นปัจจดตังของเราเองน่าจะาขยันเป็นโคกัเป็นกรรมขึ้นมาจริงๆเป็นบ้าเป็นผลขึ้นมาจริงๆเหรเสียงก็ไม่มีเป็ <Okay. S 1> นเนาะ <laughs> มีอะไรจะญ <Yeah. S 1> ี่กุ่ก็เพิ่งมาจากญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นตั้งนานอยู่นี่เกือบสาสิบปีแล้ว ญี่ปุ่นตั้งแต่ไม่รู้อะไรภาษาไทยพูดไม่ออกสามสิบปีก่อนถือหนังสือเดินขึ้นเขาหลังตาอยู่คนเดียวเอาหนังสือให้ให้ให้เอาอ่านน้อข้างเขียนนี่แหละข้างเขียนเ <laughs> ขารูจากคําเขียนได้ไง เขาเรียนปัญญา ễ, อยู่ที่จุฬาเรียนพนะุทธศาสนาว่าถ้าจะเรียนทฤษฎีอย่างเดียวไป่พอต้องปฏิบัติต้องไปหาอาจารย์คําเขียนเขาเรียกมาเขอยู่ด้วยกันมาถึงสามสนีเ้ยนี่ผู้ปาะชารถอะไรเราเอ้าไปทำไมอยู่นานแต่พูดอะไรซะหน่อยอะโอ้มาวางฟืนแล้ววางฟืน ครับขอการอุปกร์กับเชิญอุปรณยอดยมก็เมื่อวานก็พูดกันแล้วก็ตมาก็คิดว่าเมื่อวานก็บอกว่าคนที่เป็นเป็นจาดี เป็นคนหนึ่งที่ได้พบกับหลวมพอ่อคำเขียนก็ได้มาอยู่ที่วัดปาสุกตโตปฏิบัติงานฌานสติเพื่อให้ดับทุกข์อันนี้ก็ญาติมาก็ ได้ประสบการณ์มาแล้วก็นี่แหละเป็นสตินี่เป็นสิ่งที่ทำให้ช่วยเรือตัวเองให้บรรเทาความทุกข์แล้วก็ให้มีความสุขที่เกิดขึ้นมาจากจิตใจ ไม่ใช่ความสุขความสุขเชื่อชั่วคราวจากด้านโนกรูบรถเสียเกลงนอะไรก็ก็ได้เราก็ได้มีรู้สึกความสุขกัดก็ได้แต่ว่าไม่ถาวนแต่ว่าความสุขที่เกิดจากท้านในนี้ก็ถาวนได้ยิน ล้วก็ปฏิบัติก็ชีวิตก็เป็นรายละเอียดขึ้นมอือก อ, อนี้ก็หยาบก็สิ่งอะไรกระทบกับหูดูว่าตาจมูกยิ่งกับใจก็ก็ก็ทุกข์ง่ายเกิดความโกรธก็ง่าย ความอยากก็ง่ายเกิดกิดขึ้นก็ง่ายง่ายแต่ว่าก็มีเป็นสติก็ป้องกันสิ่งอะไรต่างๆกระทบกับกายกับใจแล้วกร็รู้สึกก็เป็นยอมรับได้ทุกอย่าง โดยไม่ต้นเกิดความทุกข์ยินสมัยนี้ก็สิ่งอะไรต่างๆเป็นสิ่งของก็ดีหรือว่าเป็นข้อมืออะไรต่างๆก็กระทบกับใจเรากันมาก แล้วก็สมองของเรานี่ก็สมัยนี้ก็คนจะเป็นเครื่องไวเร็ ว, รวอาจจะเร็วกว่า เ, วเพราะว่ามันบรรยา ก, กาศเป็นเป็นโคมองอะไรต่างๆมีมากจาก โทรทัศนวิทยุอินเทอร์เนต็ตอะไรก็เ้าก็กระตบประจำเมียงโฆษณาก็อยู่ที่ไหนก็มีโฆษณาเห็นแล้วก็ได้จริงก็รู้สึกว่าเหมือนกับว่ามันก็บรรยากาศทำให้เราสมองของเราเครื่องกันมากคิดว่านี้สมัยนี้ก็ <c oughs> สมองคนเราควรจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นรถที่เป็นมีกำลังอะไรมากมาก็เร็วสองร้อยสามร้อยกิโลตัวชัมม่วโมนแต่ก่อนนี้ก็รถก็ คนสมองเรานี่ก็ยันช้าก็เราก็ควบกลุ่มพอที่จะได้แม้ว่าหิสติน้อยแต่ว่าสมัยนี้ก็ก็ต้นอ่าพัฒนางานเริงสติจะได้รู้เท่ารู้ทันได้ ที่เมื่อวานก็บอกประเทศญี่ปุ่นนี้ก็มีคนค่าตัวตายสามหมืองสี่มืองคนต่อปีวันหนึ่งก็ร้อยคนค่าตัวตายกันสิบคนตายเก้าสิบคนก็รอดบ้านนี่ก็สิบสามปีก็ ที่ปามมาก็เป็นขนาดนี้แต่ว่าคนที่รถจนตายนี่ก็น้อยรอนน้อยรอนอันนี้ก็ปีหนึ่งก็สี่พันคนตายสี่พันคนต่อปีก็การตัวตายนี่มากกว่าหตเ่าเจ็ดเท่านี่ก็แสดงว่าคนญี่ปุ่นสมัยนี้ก็ ก็ลับรถก็ ก, ก็แก่งขึ้นอาจจะมีการระเบียบมากขึ้นแล้วก็มีฝีมือที่สอนที่โรงเรียนสอนดีก็ลับรถก็ไม่ก็รถจองกันแต่ว่ายังไม่พอต่อการ ครับจิตใจเขาได้ก็เลยมันก็ควบคุมได้แต่ว่ามันจิตใจมันก็แรงก็ต่นิดหน่อยมีกับทบกระเทือนก็ลดจองกันเออจองกันมันก็อุปติเหตุ ใหญ่ขึ้นตายได้ก็คิดว่านี้ก็ไม่ใช่เป็นที่ญี่ปุ่นยันเดียวมันจะเหมือนไทยก็พัฒนาฐานด้านวัตถุงานเงินอะไรก็มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอาจจะเป็นนัตราของกาตวตายก็ก็ามากขึ้นคนที่เป็นโรคจิตเข้ารงพยาบาล ตอนนี้ที่หยิบข้นขอก็หลายที่ไหนที่ไหนก็คิดว่าคลินิกก็มีคนไปกันที่บริษัทที่ไหนมีคนที่าปัญหาต่างด้านจิตใจก็หยุดนานๆก็มีเพราะฉะนั้นสมัยนี้แหละก็เราก็น่าจะฝึกหัด จิตใจไม่ให้เกิดปฏิเหตุที่ตานด้านจิตใจถ้าเราเมารถนี้ก็ก็รดจงอจงกันได้ง่ายถ้ารือปลายนิดหน่อยก็จองกันได้ นี่จิตใจก็เหมือนกันถ้าเราไม่รู้เผลอไปก็คิดคิดหนักเครียดแล้วก็ค่อยๆสารเรื่อนใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นก็จะ ต, ตายกันได้ เราจริงๆแล้วก็ถ้าเรารู้จกักควบคุมจิตใจเข้าใจจิตใจแล้วก็มีสติรู้เท่ารู้ทันมีปัญญาก็สิ่งอะไรเกิดขึ้นด้านนอกก็ดีด้านในาก็ดีเอามาใช้เป็นประโยชน์ ก็หันงพอก็บอกบ่อยว่าก็หิวข้าวก็ขอคุณอ่านถ้าเราไม่หิวกินไม่ได้ตายก็ได้ก็กินข้าวก็เป็นธรรมชาติหิวข้าวเป็นธรรมชาติก็น่าจะบอกขอบคุณอันนี้ก็ใช่จริงเรามาจากอ่า รู้สึกว่าถ้าเวทนาทุกขก็เราก็อยากหนีอยากทำลายอยากทะเลาะสู้แต่ว่าเป็นวิธีการฉลนรสตินี้ก็ไม่ได้เป็นการสู้สการหนีการเก็บกด หรือว่าทะเลาะกันเอามาดูแล้วก็เอามาใช้เพื่อประโยชน์ต่อชีวิตท่นได้นี่ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นไม่มีการ ไม่ได้สู้ไม่ได้ทะเลาะเราเอาโคมอะไรต่างๆจากด้านในจากด้านโนอกมาเป็นเพื่อนให้ด้วยการมีมีกำลังใจมีปัญญาให้เกิดขึ้นได้แม้แต่เรา ลืมตัวเผอตัวไปนิดนึงก็เราก็โอกาสได้เห็นความงดมิดก็ได้หรือว่าความกรดก็ได้อเาอาเผอถือก็เป็นอย่างนี้อาการมันเกิดขึ้นกรอดก็เกิดขึ้ น, นอันนี้ก็ถ้าเราเห็นมันชัดก็เป็นปัญญาได้เราไม่ต้น ว่าด่าตัวเองว่าเออตัวเสียสติไม <im> ่ม <pow rally> ันสติไม่ได้ม่ได้อะไรก็ไม่ต้องบอกก็นี่แหละก็เราเห็นแล้วก็อ้เป็นอย่างนี้มีตนที่มีสติอ้อไม่ได้เออความกรอดไม่ได้เกิดขึ้นเอาแต่ว่าเดิมสติเผลอไปนิดนึงก็อ้อ นึกิดเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้แล้วก็เริมสติยิ้มนานๆก็เรื่องก็ใหญ่ขึ้นโตขึ้นโอ้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีเราเข้าใจแล้วก็เราก็ใจก็ไเออ ไม่ต้องเป็นห่วงมาก<อ>เพราะว่าเราก็รู้แม้ว่าเถอไปรู้สึกทุกข์แต่ว่าเราก็กลับมาได้เราก็มีบ้านอยู่แล้วก็รู้จกักทางที่จะกลับบ้านถ้าไม่รู้ก็ไปไหนก็ไปเรื่อยๆเป็นธาตของ ความคิดอะไรต่างๆก็ถูกดูถึกถึงเอาไปแต่ว่าเรารู้จกักทางที่จะกลับไม่ว่าเราทุกข์ไม่เป็นลายเราก็กลับมาได้แค่เรามีสติยกมือสั้นจังมาดนจังจกมซักก็กลับได้แล้วก็ได้ประสบการณ์ เราเชื่อมั่นตัวเองมากยิ่ง ม, มากเราไม่ต้องบอกว่าตัวเองนี่มีความเชื่อมั่นตัวเองน้อยเท่าเราได้ประสบ ก, การณ์ยิ่งขึ้นอกความมั่นใจตัวเองก็ขึ้นมายิ่งยิ่งขึ้นเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาเพราะฉะ น, นั้นนี่คิดว่าพวกเราก็อ่า ทุกคนนั่นแหละคนที่เจคดีเกิดที่เมืองไทยได้พบธรรมะที่ยำประเสริฐแล้วก็ได้สัมปัสกับคำสอของหนวงพอ่อเขียงก็ดีของปพตตุจจาก็ดีแล้วก็มาใช้ในชีวิตประจำวันเราไม่ได้นั่นที่วัด เป็นเวลาสั้นเจริญสติหรือว่าปฏิบัติธรรมถ้าเรารู้จักอ่าแล้วก็เอามาใช้ที่บ้านที่ไหนก็ได้ก็พอดีก็กำลังจะอ่าขอ้อภษานี่ก็ทุกคนทุกคนกคน็กควรจิตฐานดี ว่าจากภาษานี้ทำให้จิตใจของเราบรรเทาความทุกข์ให้น้อยรอนน้อยรอนทุกข์น้อยรอ น, น, อรอนแล้วก็เกิดความสุขที่แท้จริงให้มากขึ้นแล้วก็เผดแผ่สิ่งที่ดีๆของเรามีเมตตากาลุณาเจตเปกขา อุจิตาก็เกิดขึ้นมาจากการปฏิบัติของเราก็ขอให้ทุกๆ ท, ท่านนะครับได้ปฏิบัติให้ดีแล้วก็ได้เจริญพัฒนาจิตใจให้ยิย่งยินมากขึ้นครับก็เปลี่ยนจ้ดเช่นี้นะครับหลวงพ่อครับ